พระธรรมเทศนาแผ่นที่67ดลำดับที่ห้าโดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่20สบตุลาคม2557มีชื่อเรื่องว่าทุกอย่างล้วนออกมาจากใจ เมือ่อในทากวา่าบอมมี่หยังหลวงพ่อจะได้ออกไปเยี่ยมหลวงพ่อทันรัตนะหลวงพ่อทันรัตนะป่วยโยโรคพยาบาลศีนครินจังหวัดขอนแกน่นมานอนป่วยยุดน่านแล้วละ่ะแต่หมื่ว่านหมอกกอนบอกว่าอ้หยังติดเชื่อในกระแสบน o เลือดแล้วก็ ไตไตจะวายแล้วก็หมอบอกมาว่าตั้งแต่ตีซีตั้งแต่ตีซี่ซไปเนี่ยจะมีชีวิตอยู่ประมาณสัก8ชั่วโมงแต่โยมหลวงพ่อท่านรัตนานบวชมาสามสิบกว่าพรรษาเดี๋ยวนี้โร่งอยู่โรงพยาวานันศรีนครินจังหวัดขอนแก่นอยู่ตึกสงศรีตึกหลวงพ่อไปสาง พักยูหันยูหอง i อซียูว่ามีอย่างลงพอฉันยังหันแล้วของโอค้งเจดีเดินทางไปเบิงเบงสักหน่อยนี่แหละอันนี้ก็คือเทวทูตทูตที่บอกกล่าวท่านทั้งหลายพวกเราทั้งหลายอย่าตั้งอยู่ในความประมาทเดี๋ยวคนหนึ่งก็จากไปเดี๋ยวคนหนึ่งก็จากไป แต่วันนี้ก็โยมว่านาคังทำบุญอุทิศส่วนกุศลมีป่าสาดพึ่งตามโบราณนี่ที่เห็นปาสาดพึ่งหลวงพ่อเห็นก็เอออันนี้คือเป็นประเพณีของพื้นเพททางอีสานเวลามีผู้ตายไปแล้วก็สร้างปาสาทปราสาดพึ่งมีของใช้ต่างๆ มีเสื่อสะอาดหมอนกระมังม่ออะไรที่ของใช้มาถวายพระสงฆ์ุที่ข้างล่างลูกหลานญาติพี่น้องเพื่อเพื่อระชมเพลิงเมื่อวานก่อนวันนี้ก็ทำบนอุทิศส่วนกุศลเก็บกระดูกเพื่อไปบรรจุ เรา่อาไปรอยอังคารแต่สุดแท้แต่ญาติพี่น้องลูกหลานจะเห็นพร้องต้องกันคุณแม่บุญมีภูพวกบ้านนาคังอายุก็เพียง63สบสามปีก็ยังไม่มากนะอันนี้กัมรณะไปแล้วนี่แหละอันนี้ก็คืนเป็นเทวทูตเหมือนกันที่บอกเมื่อกี้นี้ที่หลวงพ่อที่เป็นพระนะบวช เดี๋ยวนี้ก็ยังเป็นพระอยู่นะหลวงพ่อทันรัตนะเนี่ยเป็นพระบวชมาทั้งสามเกือบ40ปีอาการหนักอยู่โรงพยาบาลศรีนครินจังหวัดขอนแกน่นแล้วก็คุณโยมคุณแม่บุญเมยเนี่ยกับมรณะล้วนแล้วจะเป็นเทวทูตย ม, มทูตเทวทูตบอกกล่าวให้พวกเราที่อยู่เบื้องหลัง อย่าตั้งอยู่ในความประมาทชีวิตของพวกเราเนี่ยเหมือนน้าค้างใบบัวอย่างที่พระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตรัสเปรียบเทียบเอาไว้ถ้าวันไหนมีลมกระโชกมาแรงเก่งไปกลิ่งมาจากนั้นก็ตกจมลงไปในน้าแล้วก็เกิดขึ้นมาอีกอยู่ในใบบัวอีกกลิ่งไปกลิ่งมาแล้วก็ลมกระโชกมาอีกจมลงไปในน้ำ นี่แหะชีวิตของมนุษย์ชาติของพวกเราลักษณะอย่างนั้นเพราะท่านท่านจึงให้ประกอบคุณในคุณงามความดีอย่าตั้งอยู่ในความประมาทให้สั่งสมบุญกุศลเอาไว้เพราะในหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าแลวท่านบอกว่าตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกตัวที่ทําให้เกิดนั่นคือตัวไหนร่างกายเนี่ยตายแน่คือรูปธรรม แต่ว่าจิตใจคือนามธรรมตัวนั้นไม่ตายไปเกิดอีกปาช้าของใจไม่มีมีแต่ป่าช้าของกายที่หลวงพ่อเปรียบเทียบแล้วเปรียบเทียบอีกเพราะคนสมัยทุกวันนี้ใช้รถเป็นปัจจัยหนึ่งไม่แพ้ปัจจัยอื่นๆในปัจจัยสอาจจะเป็นปัจจัย5้าของพวกเราแต่ในครั้งพุทธกาลปัจจัยตัวนี้ยังไม่ ไม่รุ่งโรดแต่ทุกวันนี้ปัจจัยตัวนี้แปลว่าล้ำหน้าใครจะไปที่ไหนต้องคิดถึงรถเพราะนั้นหลวงพ่อจึงเปรียบเทียบออคนเรารูปธรรมร่างกายเหมือนกับรถนามธรรมาคือจิตใจเหมือนกับคนขับรถรถกับคนขับรถนะนามธรรมาคือคนขับรถแต่รูปธรรม คือร่างกายเหมือนเหมือนขับรถแต่หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าให้ความสำคัญคนขับรถมากกว่ารถนี่แหละคือร่างกายกับใจแต่พระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าให้ความสำคัญเรื่องของโซเฟอร์มากกว่าเรื่องของรถรถเนี่ยเป็นพาหนะเท่านั้นเองแต่โซเฟอร์น่ใจเนี่ย เป็นตัวสำคัญที่จะขับขี่รถไปในสถานที่ต่างๆรถโซเฟอร์ของรถจะต้องได้รับการอบรมกับเหมือนกับพวกเราท่านทั้งหลายก่อนจะซื้อรถขึ้นมาเขาให้ไปสมัครใบขับขี่ก่อนลักษณะอย่างนั้นละ่ะคือตรวจสอบกิติยามรรยาตการใช้รถไปในทางถูกกฎจราจรอย่างนั้นลหละ แต่รถเนี่ยเขาไม่ได้เอาไปสอบนะเพียงแต่ไปสอบสภาพว่ามันแข็งแรงพอไหมตนเองแต่โซเฟอร์เนี่ยสำคัญกว่าที่จะเอาไปจะไปใช้รถถ้าโซเฟอร์ไม่มีคุณภาพไม่มีคุณธรรมไม่มีศีลธรรมไม่จริไม่มีจริยธรรมเผลอเผล อ, อยังกินเหล้าเมายาอีกต่างหากขับรถคันนี้รถคันนี้กับเปยซ้ายเปย์ขวาเปย์หน้าเปยหลังชนคู่ชนคน ตกถนนคนทางไปได้ทั้งนั้นเพราะเหตุไรเพราะว่าโซเฟอร์ไม่มีจริยธรรมที่ดีเพราะฉะนั้นท่านให้ความสนใจเรื่องโซเฟอร์มากกว่ารถเพราะฉะนั้นใน ห, หลักธรรมคาสอนของพุทธศาสนาอย่างที่หลวงพ่อได้ย้ําแล้วย้ําอีกว่าตายแล้วไม่สูญ พ, พอโซเฟอร์ขับรถคันนี้คนรถคันนี้พังโซเฟอร์ออกจากรถไปซื้อรถคันใหม่อย่างคุณโยมที่ มรณะไปเนี่ยแปบลบว่าท่านทิ้งรถคันนี้แล้วรถคันนี้ใช้ไม่ได้แล้วพังแล้วท่านจะออกจากร่างแต่ท่านตีกรที่ท่านจะออกจากร่างไปเนี่ยคุณโยมคุณแม่บุญมีท่านได้ทำบาเพ็ญอะไรไว้บ้างแต่ท่านก็ไม่ได้ตั้งอยู่ในความประมาทที่หลวงพ่อเห็นท่านก็ไปมารักษาศีลที่วัดของเราแล้วก็ไปวัดอื่น ที่ไปเข้าคอร์สหรือว่าไปปฏิบัติธรรมไปเป็นรักปวดเป็นชีพราหมณ์เมื่อท่านยังพอเป็นไปได้อยู่พอเดินไปได้พอปฏิบัติธรรมได้สรุปแล้วก็คือท่านไม่ได้ตั้งอยู่ในความประมาทประกอบคุณงามความดีเข้าสู่จิตใจคือสั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจของของตัวเองนี่แหละ อันนี้เมื่อถ้าจะเปรียบเทียบก็เหมือนกับโซเฟอร์ไม่ได้ตั้งอยู่ในความประมาทคิดไว้อยู่เสมอว่าถ้ารถคันนี้พังเราจะมีเงินซื้อรถคันอื่นอีกไหมนี่แหละอันนี้ก็คือโซเฟอร์ที่ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทประกอบคุณงามความดีสั่งสมหาเงินสึ่งไหนที่จะเป็นประโยชน์หาเงินในทางสุดจริตมาเก็บเตรียมเอาไว้ถ้าเพื่อรถคันนี้พังเมื่อไร เราก็จะได้ย้ายออกจากรถคันนี้ไปซื้อรถคันอื่นอันนี้ก็คือโซเฟอร์ที่ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทแต่เตาโซเฟอร์ประมาทแล้วก็ที่ว่าตายและศูนย์ก็ไม่ได้ใส่ใจกินเป็นวันๆอยู่เป็นวันๆสนุกสนานเพลิดเพลินเป็นวันๆผลที่สุดตายแล้วก็สุดแท้แตามันจะไปที่ไหนมันก็ต้องไปแบบร่องรอยเอพราะไม่ได้เตรียมพร้อมไม่ได้เตรียมการเอาไว้ พอตายไปแล้วโอ้ตายแล้วไม่ศูนย์ว่ะแต่ที่ไหนได้จะทำยังไงผัวนึกถึงคนน่ะไปหาเกิดตามเป็นลูกหมาลูกหมูลูกวัวลูกควายหมูหมากาไก่เป็นลีงข้างบางชนีเป็นได้ทั้งนั้นที่โซเฟอร์คนนั้นจะไปนี่แหละหลัลกธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านบอกตรัสไว้อย่างนั้นเพราะนั้นพวกเราเท็ พุทธศาสานาเกชนพุทธบริษทัทให้ศึกษาในจุดนี้ศึกษาให้ดีวิธีการศึกษาพระพุทธเจ้าก็บอกพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทุกองเป็นพระกรรมฐานท่านบอกท่านให้ศึกษาอย่างไรท่านให้ศึกษาให้นั่งสมาธิที่จะดูจิตจุดนั้นที่จุดกายกับใจนะให้นั่งสมาธิขาขวาทับขาท้ายทำใจให้สงบ เมื่อจิตใจสงบเน่งลงไปเป็นอัปปนาสมาธิเป็นจิตที่เป็นสมาธิดีเราจะรู้ได้ด้วยตนเองว่ากายกับใจเนี่ยเป็นคนละอันกันเห็นได้ชัดกายกับใจใจกับกายอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้จ ร, จริงๆร่างกายเนี่ยแต่ตายสลายลงสู่ดินน้ำลมไปแต่จิตใจนั้นไม่ตายเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ขอให้พวกเราทุกๆุกท่านให้ศึกษา แต่จากนั้นก็ให้พิสูจน์ให้ลงมือพิสูจน์และปฏิบัติพวกเราจะเชื่ อ, อทำคําสอนพระพุทธเจ้าด้วยตนเองเอที่ว่าสว่าขาตรธรรมตรัสไว้ชอบแล้วและธรรมะปัจจตังผู้ปฏิบัตยิย่อมรู้ได้ด้วยตนเองเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านนะอนศาณาจายญาติโยมลูกหลานทุกคนนะให้ประกอบคุณงามความดีอย่าตั้งอยู่ในความประมาท ถ้าพวกเราอยู่ในความประมาทแล้วก็อย่างที่ว่าโซเฟอร์ไม่ได้สนใจไม่ได้คิดในอนาคตว่าคาออกจากรถคันนี้เราจะไปที่ไหน น, นั้นแปลว่าเราไม่เตรียมพร้อมอนาคตของเราก็อย่างคนที่คนที่ไม่ได้คิดถึงอนาคตไม่ได้วางแผนอนาคตเราก็ไม่ได้ประกอบคุณงามความดีในปัจจุบันพระไม่ได้เตรียมพร้อม ไม่ได้คิดถึงอนาคตก็ปัจจุบันเราก็ปล่อยปะละเลยเฉยเมย อ, อนาคตของเราก็มืดบอดอยากจนได้ง่ายๆอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเกิดมาแต่เด็กแต่เล็กราไม่ได้ฝ่ใจในการศึกษาไม่ได้ใฝ่ในการเรียนรู้เรื่องต่างๆอนาคตของเราจะเป็นยังไงอนาคตของเราก็มือดบอดเพราะอะไรเพราะว่าคนที่ไม่มีอนาคต ปัจจุบันคือการศึกษาอนาคตคือผลแห่งปัจจุบันถ้าเราปัจจุบันทำปัจจุบันให้ดีอนาคตมันก็ดีถ้าปัจจุบันของเราเดี๋ยวนี้ขณะนี้เราทำเร็วเราทำชั่วชั่วด้วยประการนั่นอะไรคิดชั่วทำชั่วพูดชั่วอะไรก็ตามอนาคตที่ตามมาก็ชั่วไปด้วยเพราะหะไรเพราะปัจจุบันของเราเนี่ยทำชั่วยกตัวอย่างเช่นอย่างพวกเรานั่งอยู่เนี่ย เดินไปเอามีดไปฟันหัวสกุลใดคนหนึ่งตำรวจอยู่ที่นี่ก็ลุกมาก็ต้องจับพอจับเสร็จแล้วนะเข า, เาไปที่ไหนเข า, เาไปเข้าห้องขังไปห้องกรงไปขังคุกเพราะไปทำความชั่วแน่น่ะเมื่อเราทำความชั่วแล้วความชั่วให้ผลใครจะเป็นคนเดือดร้อนล่ะคนที่ทำจะไม่เดือดร้อนนะความชั่วอย่าทำเสียเลยดีกว่าเพราะความชั่วเมื่อทำลงไปแล้ว ความชั่วให้ผลตนเองจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังเพราะนั้นคิดชั่วทําชั่วพูดชั่วในหลักธรรมความสอนของพุทธศาสนามีหลายระดับกายกรรมวิจีกรรมมนโนกรรมมนโนกรรมเนี่ยเป็นหลักถ้าคิดชั่วแล้วการกระทําทางกายก็ชั่วการพูดทางวาจาก็ชั่วเพราะเหตุอดไเพราะมันชั่วออกมาจากใจใจมันคิดซะก่อนมันยังค่อยปล่อยปล่อยให้กายไปกระทํา แล้วก็วาจาพูดเพราะนั้นการทำกรรมทำได้สามทางในหลักธรรมคำสอนของพุทธศาสนาแต่พวกเราทำเห็นพวกเราเห็นแต่การกระทำทางกายกับกระทำทางวาจาแต่ไม่ได้คิดถึงใจแต่หลักธรรมคาสอนของพุทธท่านให้ความสำคัญเรื่องขวงใจมันคิดก่อนมันคิดก่อนมันยังค่อยปล่อยกายออกไปให้กระทำปล่อยวาจาออกให้พูดออกไป ในพวกพวกเราเห็นแต่เรื่องการกระทากับการพูดแต่ว่าการคิดโดยมากเราไม่ได้สอนกันสอนสอนยังไงสอนแนวความคิดหลักธรรมคำสอนของพุทธศาสนาให้มีสมาธิเมื่อจิตใจนิ่งอยู่กับตัวเองแล้วก็สอนสอนให้แนวความคิดว่าคิดยังไงคิดผิดคิดยังไงคิดถูกคิดเป็นยังไงสัมมาทิฏฐิคิดยังไงเป็นมิจฉาทิฏฐิ ถ้าเราได้ใช้หลักธรรมคำสอนเข้าไปอยู่จุดนั้นแหละเราจะสำนึกได้ว่าอันนี้คือการคิดผิดอันนี้คือการคิดถูกอันนี้คือเมื่อเราคิดออกไปแล้วการกระทำทางกายก็ต้องผิดคิดโลภอยากจะได้ของเขาคิดพยาบาทปองร้ายเขาเนเห็นผิดอยากทำนองคลองทำอันนี้ก็คือคิดเมื่อคิดผิดเมื่อคิดผิดก็คิด อฆ่าสัตว์พอคิดฆ่าสัตว์แล้วก็เอากายก็ไปฆ่าเอากายร่างกายของเราไปฆ่าจะไปฆ่าวัวฆ่าควายฆ่าคนก็ตามฆ่าใครก็ตามผิดแหละแตการกระทําทางวัดทางกายผิดและผิดทางกฎหมายแหละแต่ขณะที่คิดเนี่ยยังไม่ผิดนะผิดทอผิดทำใครค้าว่าทำคํานี้เป็นของละเอียดอการนึกคิดมันเป็นกิเลสภายในใจ ส่งเสริมเรื่องกิเลสโลภโกรธลงภายในใจนะพอคิดขึ้นมาแล้วก็ยังไม่ยังไม่ไ ม, มีโทษอะไรพราะคิดเฉยเฉยพอทาออกไปเท่านั้นล่ะมีโทษอะแล้วก็พูดใช้วาจาพูดไปก็มีโทษถ้าเราพูดิประมาทอย่างที่ว่าระประมาทพระบรมเดชานุภาพอย่างนี้หรือประมาทผู้ไดก็ตาม ดูถูกเยียดยามเขาใช้วาจา เ, เขาพร้อมที่จะปรับหมายใส่โทษพร้อมที่จะจับเข้าคุกเข้าตารางทางนั้นเพราะใช้วาจาแต่คิดจชเฉยเฉยนะยังยังยังไม่ยงมัยงไม่มีอะไรถ้าพูดออกไปแล้วมีวมีเรื่องเ ก, เกิดขึ้นแล้วนี่แหละเพราะนั้นการก ร, การกระทำการกระทำกรรมทำได้สามทางมนโนกรรมกายกรรมวิจีกรรมอย่างที่หลวงพ่อได้พูดเพราะนั้นให้สํารวมกายวาจาใจของตนเอง แล้วก่อนใช้หลักธรรมคาสอนเข้ามาสู่จิตใจของเราถ้าเมื่อเราจิตใจของเรามีธรรมในจิตใจแล้วอยู่ที่ไหนอยู่กอยู่เถอะสงบพร้มเย็นเป็นทุ ก, ทกแห่งหุ่นเพราะเรามีธรรมในจิตใจสัมมาทิฏฐิธรรม เ, เมื่อมีสัมมาทิฏฐิในจิตใจแล้วก็น่อนกายวาจาก็เป็นสัมมาทิฏฐิไปด้วยนะ ต่อนนี้ไปให้พวกเราอุทิศส่วนกุศลนะ้ออุทิศส่วนกุศลถึงคุณแม่บุญมีภูพวกที่หลวงรับดับขันไปคณะสงฆ์เจ้านุโมธนาให้พรนะ้อให้อยู่ในใจิตในใจของลูกของหลานทุกคนพวกเรามาทำบุญในวันนี้ทำบุญให้คุณแม่เป็นที่รับรับรู้กันคณะสงฆ์รับรู้ว่าพวกเราคณะลูกหลานได้มาทำบุญอุทิศส่วนกุศล หากว่าดวงวิญญาณของคุณแม่บุญมีที่พวกเราจะอุทิศส่วนกุศลตกทุกข์ได้ยากอย่างไรก็ขอให้มารับส่วนบุญส่วนกุศลกับพวกเราท่านทั้งหลายในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตรัสไว้ตรงพ่อได้ยกให้ลูกหลานได้ฟังบ่อยๆว่าพ่อแม่เลี้ยงดูเรามาแล้วเลี้ยงท่านตอบทากิจ ร, ระของท่าน ดำรงวงสกุลประพฤตตนให้สมควรควรรับทรัพย์มรดกเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้ท่านนีอย่างวันนี้พวกเราได้มาทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้เมื่อท่านได้ล่วงลับไปเราก็ไม่รู้ว่าวิญญาณของคุณแม่บุญมีนะ่ยไปสิงสถิตหรือไปตกอยู่ณถินใดพวกเราที่อยู่เบื้องหลังก็ไม่มีอะไรไมีแต่ความรามําลึกคิดถึง จากนั้นเราก็ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ถ้าคุณแม่ตกทุกข์ได้ยากอย่างไรให้มารับส่วนบุญส่วนกุศลที่พวกลานได้ลูกหลานได้ทำพ่อบ้านลูกหลานได้ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ถ้ามีความสุขอยู่แล้วก็ขอให้มีความสุขจริงๆขึ้นไปด้วยเถิดคือความปรารถนาของพวกเราทานทั้งหลายแต่หลวงพ่อเองก็มั่นใจเพราะคุณแม่เนี่ยบุญมเนี่ยเนี่ย ที่มาอยู่ที่อยู่วัดของเราก็มารักษาศีลแล้วก็ไปเข้าคอดวัดต่างๆที่ไปรักษาศีล เ, เป็นชีพรามเป็นผู้ใฝ่ใจในการกุศลอยู่แต่ว่าก่อนที่โค้งสุดท้ายนะ่ะที่ใจจะขาดจุดนั่นแหละฮพวกเราท่านดวงวิญญาณในใจจะคิดไปในเรื่องอะไรนะั่นนื้อสำคัญอันนี้เราไม่สามารถที่จะ เปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจในช่วงนั้นได้ถ้าว่าของเราถ้าพวกเราท่านทั้งหลายฝฟในการกุศลจิตใจที่เป็นคิดในกุศลคล้ายๆว่างไม้มันเนือ ง, ม, องมันเองไปทางทิศตะวันออกถึงเจ็ดสิบแปดสิบองศาถึงจะโค้นยังไงมันก็ต้องลงไปทางทางที่มันโค้นที่มันเองนนี้ก็เหมือนกันถ้าพวกเรา ก่อนที่จะตายพวกเราจิตใจไฝกุศลปิีใจคิดแต่เครื่องกุศลคิดแต่เครื่องบุญกุศลเข้าสู่จิตใจในเมื่อก่อนที่จะโคงสุดท้ายนั่นต้องคิดถึงกุศลเพราะเหตุลายเพราะถ้าไม่คิดจุดนั้นจะคิดถึงถึงอะไรเพราะท่านบําเพ็ญมาทางกุศลพอแรงแล้วออข่าวนี้เป็นโคงสุดท้ายของข้าข้าคงไปไม่รอดนะข่าวนี่เอาบุญกุศลทั้งหลายทั้งมวลที่ข้าได้กระทํามา ทั้งหมดทั้งปวงขอให้ม า, เ, าเข้ามาสู่จิตใจของข้าเนะื้อาวนียคล้ายๆาเก็บหอมรอมรับทรัพย์สินเงินคำทรัพย์สมบัติอยู่ในสถานที่ต่างๆเอามาใส่กระเป๋าตัวเองเอพร้อมที่จะกระโดดออกจากร่างไปสู่ปรโลกไปสู่ภพภูมิต่างๆอันนี้ก็คือไม้ที่มันเอ็นไปทางทิศตะวันออกแปดสบองศา แล้วนะ่ะโค้นยังไงมันก็ลงไปทางทิศตะวันออก Thursday, มันจะไม่นั่นน่ะถ้าหากว่าหนะ้าสิบห้าสิบน่ะมันลงไปที่ไหนก็ได้พร้อมที่จะไปทางตะวันไปทางดีก็ได้พร้อมที่จะไปทางชั่วก็ได้พร้อมที่จะมาเกิดอย่างที่ตรงเองต้องการก็ได้ตองต้องการอะไรคอยมาเกิดเป็นมนุษย์เราก็มาเกิดเป็นมนุษย์แต่ถ้าว่าเราไม่ได้คิดอะไรในช่วงนั้นเ่ะเพออาจจะไปเกิดเป็นสัตว์ที่เด้ยชานก็ได้ หรือบาปกรรมตัวเองทําในอดีตไว้มันมีบาปกรรมอยู่คนเราเกิดมาตั้งแต่เกิดมาไม่ใช่จะทําแต่กรรมดีอย่างเดียวนะมันมีกรรมชั่วแฝงอยู่ทุกดวงวิญญาณทุกคนนะ เ, เราอาจจะไปทางชั่วก่อนก็ได้เพราะกรรมชั่วให้ผลก่อนก็ได้เพราะเราไม่ได้คิดถึงคุณงามความดีในช่วงนั้นแต่เราทึกคิดถึงคุณงามความดีในช่วงนั้นใจของเราก็เอ็นไปทางคุณงามความดีใน ในโค้งสุดท้ายนั่นเนี่ยแหละในหลับทําความสอนของพระพุทธเจ้าถึงคนโบราณเขาจึงบอกว่าก่อนที่จะตายคิดถึงพุทโธพุทโธเนะ้อคิดถึงคุณงามความดีเนะ้อไม่ต้องห่วงหาอะไรกับใครทั้งหมดเนะ้อคิดถึงแต่คุณงามความดีเนะ้อคิดถึงแต่บุญกุศลเนะ้อแน่คนโบราณเขาเห็นเขามาบอกกล่าวกันเพราะอะไรเพราะเตือนสติให้ผู้ที่ป่วยหนักนั้นระลึกถึงแต่คุณงามความดี แต่คนที่จะตายนันไม่ได้ทำคุณงามความดีไม่เชื่ออีกต่างหากได้ทำยังไงเนี่นยข้าไม่เชื่อข้าไม่เชื่อเร่อไม่เชื่อในคุณงามความดีอีกต่างหากแล้วจะเป็นยังไงอันนั้นก็สุดแท้แต่กรรมกรรมมุนีนาวัตรตีโลโกสัตโลกย่อมเป็นไปตามกรรมที่ตนได้กระทำไว้เ อ, อาละพรที่ส่วนกุศล น, นะลูกหลานนะทุกคู่ทุกคนนะ